สอนศีลธรรมจริยธรรมแต่โดยมากถ้าคนไม่มีอุปนิสัยต้ฟังแล้วมันก็นเหมือนเอาไม้กิ้มหูนั่นแหะแต่ว่าเมื่อฟังไปแล้วถ้าตั้ง อ, อกตั้งใจฟังมันเป็นธรรมะในเป็นการแนะแนววิถีชีวิตโหดอย่างนั้นได้ธรรมะเนเป็นการแนะแนววิถีชีวิต ควรจะคิดยังไงขนาดตั้งความคิดคิดยังไงแล้วจะทํำยังไงแล้วจะพูดยังไงมันจึงจะถูกต้องจะอยู่ด้วยกันด้วยเกตกฎระเบียบอันนี้ก็คือสรุปแล้วก็คือชี้แจงหลักเหตุผลที่เราเกิดมาในพื้นแผ่นโลกใบเนี้ยเราควรจะทําตัวอย่างไรนี่อันนี้ก็ อันนี้ก็คือหลักธรรมะสรุปก็คือคือหลักเหตุผลแล้วก็พร้อมกันอีกไม่นานเมษาหน้าเนี่ยคงจะมีหนังสือของหลวงพ่อออกมาอันนี้ก็คือเอ็มพีสามของหลวงพ่อที่ออกไปแล้วท่านผู้ฟังฟังทุกแผ่นแล้วก็ฟัง เล่สามหลวงพอ่อแล้วก็จะจะพิมพ์เป็นหนังสือถอดเป็นหนังสือแต่เล่มเล็กๆนะเล่มไม่ใหญ่คงจะเป็นหนังสือเล่มแรกของหลวงพ่อแล้วอนกะนหนังสือเล่มนี้หลวงพ่อก็อนุญาตไม่ขัดข้องเพราะท่านผู้พิมพ์ก็ท่านเป็นผู้มีความรู้ความสามารถไฟในธรรมเหมือนกะันนอที่พอท่านได้ฟังแล้วท่านก็บอกว่า เอ็พสามที่เดียวฟังมาแล้วบางกันเป็นธรรมะที่โดนใจธรรมะที่โดนใจธรรมะที่ฟังแล้วมีความรู้สึกน่าจะถอดเป็นหนังสือพิมพ์ออกไปเป็นเล่มท่านอาจารย์จะขัดข้องไหมหลวงพ่อไม่ขัดข้องเพราะเหตุไรเพราะหลวงพ่อได้พูดออกไปแล้วคำนั้นเป็นคำสาธารณะไปแล้ว แต่ถ้าว่าผู้ใดเห็นคุณค่าเห็นประโยชน์ไม่กระทบกระเทือนต่อชุมชนสังคมก็หลวงพ่อไม่ขัดข้องแต่ว่าก่อนที่จะทำแล้วก็ควรจะขออนุญาตก่อนก็ดีเพราะว่ามันเป็นคำพูดของหลวงพอ่อและอีกอย่างหนึ่งหลวงพ่อเห็นเอ็สาขึ้นมาใหม่เนี่ยเขาจะไม่บอกชื่อรูบาอาจารย์เพียงแต่ว่าเป็นธรรมะ ครูบาอาจารย์ตนั้นเนี่ยแล้วก็เปิดออกมาก็เป็นเทพหลวงปู่ชิมแต่ตามให้จริงหลวงพ่อว่าเนี่ยในเมื่อต้องการธรรมะของท่านก็ควรจะประกาศแล้ว่าเขียนชื่อไว้ด้วยว่าอันนี้คือธรรมเทศนาของหลวงปู่ชิมมันจึงจะถูกนะอันนี้พอได้ต้องการแต่ธรรมะแต่ไม่รู้จักว่าองค์ไหนเป็นองค์แสดงเพราะว่า เขาจะได้รู้ว่าเออเป็นองค์ไหนเป็นใครเป็นอกแสดงธรรมนะแต่ตามไม่จริงก็น่าจะบอกออแสดงว่าผู้ออกออผู้ออกเอ็มพสามเนี่ยใจคับแคบหลวงพ่อวานะ อ, อ, อยากจะได้ธรรมะของท่านแต่ไม่ต้องการชื่อของท่าน เ, ออเหมือนกับต้องการธรรมะไปขโมยธรรมะของท่านไปขโมย ทำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามาเป็นของตัวเองลักษณะอย่างนั้นน่ะอืมแก ต, ตามไม่จริงก็น่าจะบอกว่าคำพูดนี้เทศกันนี้เป็นธรรมเทศนาของพระอาจารย์รหลวงปู่องค์นั้น น, น่าจะบอกมีชัดญาติโยมบางคนเขาทวงติงมาทางหลวงพ่อเขาบอกว่าธรรมเทศนาหรือว่าวิทยุ ข, ของหลวงตาเนี่ย พอเทศจบลงแล้วก็น่าจะบอกวันีที่จบเทศจบลงไปแล้วนี้เป็นธรรมเทศนาของหลวงปูค่คาดีประภาโโสพระธรรมพระปูอันนี้ก็แล้วก็ที่เทศจบลงไปนี้เป็นธรรมเทศนาของหลวงปูส่สิงทองธรรมะวะโรกน่าจะบอกเป็นองค์ไปเผื่อคนทั้งหลายจะได้รู้ว่าเออ เป็นธรรมเดชนาน่าฟังอ่าน่าติดตามอล้วก็เออท่านองค์นี้เทศไม่มีเหตุผลอ่าพูดคำกลุงมกลุมกุมกลกุมกุมกุมกลຽอเขาก็จะได้รู้อ่เขาจะได้ไม่ได้ติดตามในการฟังอันนี้ก็หลวงพ่ออือก็เป็นผลดีแต่หลวงพ่อเห็นนะนะ่ยมพสามออกมาเนี่ยไม่ระบุชื่อกูบาอาจารย์หลวงพ่อว่าไม่ถูกต้อง ในความรู้สึกของหลวงพ่อนะในเมื่อเราอธรรมเทศนาของท่านเราก็ควรจะระบุชื่อของท่านลงไปพราเราต้องการธรรมะเสียงของท่านธรรมะของท่านนะควรจะบอกชื่อว่าธรรมเทศนาของหลวงปู่องค์นั้นองนี้ในแผนนี้ไม่เห็นจะยุ่งยากอะไรทั้งที่คนที่ออกก็รู้ๆอย่าเล่าว่าเป็นธรรมเทศนาของใครทําไมไม่ออกทว่าจิตใจของเขาคิดยังไงในช่วงนี้แต่หลวงพ่อว่าไม่ถูก ในความเห็นของหลวงพ่อนะแต่หนังสือที่หลวงพ่อที่โยมที่จะออกไปจะตั้งเชื่อว่าต่อๆต่ อ, ต อ, ตอแต่หลวงพ่อก็ฟังฟังดูลวกรู้สึกว่าเป็นหนังสือที่อยู่ในอั ป, ปมาณธรรมว่าันคือตั้งอยู่ในความไม่ประมาทนะอั ป, ปมาณธรรม คือเป็นธรรมที่ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทแต่ตามไม่จริงก็ถ้าหากว่าผู้ฟังเข้าไปแล้วผู้อ่านเข้าไปแล้วหลวงพ่อว่าคงจะเป็นแนวความคิดสะอึกอยู่ในจิตใจไม่ใช่น้อยเหมือนกันนะถ้าหากว่าผู้ไม่ที่จะตาหนิหรือว่าผู้ที่ไม่หนักแน่นในในธรรมจะคงจะฟั ง, ฟ, งฟังดูแล้วก็คงจะ ทำใจได้ยากเหมือนกันแต่ถ้าว่าผู้มีทำในใจมีการเตรียมพร้อมการที่เตรียมพร้อมแล้ไม่เตรียมพร้อมการเตรียมพร้อมดีกว่าถ้าว่าไม่เตรียมพร้อมเนี่ยรู้สึกว่าจะเสียท่าเสียทีเมื่อจุดนั้นเมื่อคราวนั้นมาถึงหลวงพ่อว่านะเพราะฉะนั้นที่ท่านจะออกหนังสือไปในหลวงพ่อก็อืมก็ดีเป็นแนวความคิดอันหนึ่ง ทั้งหมดไปอยู่เจ็ดแปดเจ็ดปดกันมั้งตีหลวงพ่อดูๆแล้วแต่หลวงพ่อก็ได้อ่านอยู่นะก่อนที่จะออกไปหลวงพ่อก็ได้อ่าน ก, ก็ดีดีตรงที่ว่าเตือนพวกเราพอพวกเราทุกๆ ท, ท่านจะต้องเดินถึงจุดนั้นไม่เป็นอย่างอื่นไม่ใช่ว่าไม่อยากจะคิดเลยไม่อยากจะรู้ไม่อยากจะคิด แต่พอมาถึงวันงั้นเข้ามาแล้วก็อจบไปเลยแต่ถ้าว่าผู้ที่ได้เตรียมการไว้ก่อนเพราะในหลักของพุทธศาสนาเนี่ยพระพุทธเจ้าจะว่ามันไม่สูญนะสิ่งที่จะจะไปสู่ภพภูมิข้างหน้ามันมีอีกอยู่เพราะนั่นให้เตรียมตัวเอาไว้ก่อนที่จะถึงจุดนั้นจะทํำยังไงที่ใจจะออกจากร่าง ที่หลวงพ่อพูดอยู่เดียวนี้กัคือใจเป็นผู้สั่งให้ร่างกายพูดแต่ในหลักวิทยาศาสตร์เขาว่าสมองสมองเป็นคนสั่งให้พูดแต่ตามไม่จริงในหลักของพุทธศาสนาเนี่ยใจเป็นผู้สั่งสมองสมองสั่งปากให้พูดมันมันเป็นสามนะอยู่ในร่างกายของเราเนี่ยคือถ้าใจสั่งสมอง สมองก็ใช้ปากพูดฮะแต่สมองจะใช้หูพูดก็ไม่ได้ใช่หเพราะมันพูดไม่ออกหูว่างั้นแตมันต้องใช้ปากใช้ปากพูดสมองจะใช้ปากฟังก็ไม่ได้เนี่พราะต้องใช้หูฟังเนี่ยมันคนละหน้าที่กันแต่ว่าเครื่องมือตัวที่สั่งนันก็คือสมอง สมองสั่งตาสมองสั่งหูสมองสั่งจมกูกสมองสั่งลิ้นสมองสั่งกายนี่แหละแต่ว่าก่อนที่จะสมองที่จะสั่งไปนั้นต้องมีใจใจอยู่ในนั้นเป็นผู้สั่งสั่งสมองให้ออกไปทํางานไปรับรู้ในสิ่งต่างๆแต่ในหลักของพระพุทธศาสนาทีนี้พระพุทธเจ้าท่านไม่ไม่น้นเน้นหนักเรื่องสมองไม่ได้เน้น หนักเรื่องเครื่องมือของใจคล้ายๆว่าไม่ได้เน้นหนักเรื่องเครื่องคอมพิวเตอร์ว่างั้น<ม>แหละหลักของพระศาสนาไม่เน้นหนักเรื่องเครื่องคอมพิวเตอร์เน้นหนักคนที่ใช้คอมพิวเตอร์คนที่ซื้อคอมพิวเตอร์มาแล้วกคนที่ใช้คอมพิวเตอร์สนใจคนนั้นถ้าว่าให้ข้อมูลผิดสมองสั่งออกมามันก็ผิดเพราะคนที่สั่งออกไปมันกันแกล้ง บางทีไม่พอใจอนี่สั่งสมองออกไปปากมันก็พูดในสิ่งที่ไม่ถูกต้องเหมือนกันถ้าว่าใจไม่เป็นที่พอใจกับผู้ใดก็ตามก็สั่งปากออกไปปากก็พูดกับคนนั้นในสิ่งที่ไม่ถูกต้องถ้าว่าไปรักไปหลงเขาสั่งสมองออกไปไปพูดก็ไปในความรัก ความเมตตาจุดแท้แต่ใจดวงนั้นจะเป็นผู้พอใจหรือไม่พอใจนี่แหละหลักของพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าท่านเน้นหนักเน้นหนักตัวที่ใจนั่นแหะไม่ใช่เน้นหนักเรื่องสมองไม่เน้นหนักเรื่องปาตาหูจมูกลิ้นกายอันนี้เป็นเพียงแต่ว่าเครื่องใช้ของใจเท่านั้นเองเครื่องตัวจริงจริงก็คือใจ เพราะนั้นใจตัวนั้นแหละมันสัมปยุทธหรือว่ามันมีส่วนเกี่ยวข้องอะไรบ้างนี่แหละพระพุทธเจ้าท่านไปพิสูจน์อยู่ในป่าดงอยู่ในป่าหรือตามลําพังไปนั่งค้นคิดอยู่ถึงหปีว่ามันใจดวงนั้นมันมีอะไรบ้างที่แอบแฝงเรียกว่าเป็นสิ่งที่ทําให้มันยุ่งเหยิงวุ่นวายมันไม่มาตรฐานมันไม่สแตนดาร์ดเพราะงั้นมันขึ้นขึ้ น, นลงๆ กัเพื่อมันอยู่ตลอดไปล่ำเวลาแล้วก็ดีใจเดี๋ยวก็เสียใจเอเดี๋ยวก็โมโหเดี๋ยวก็โธโโเดี๋ยวก็รักเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็เกลียดอยู่นั้นเงยสะรโวนวุ่นวายอยู่นั้นใจเพราะนั้นพระพุทธเจ้าท่านเอาธรรมะสมาธิเข้าไปจับดูอสติปัญญาเข้าไปจับดูค้นคิดดูท่านก็ว่ามันกิเลสกิเลสคือตัวปรุงแต่ง กิเลสคืออะไรกิเลสราคะกิเลสโทสะกิเลสโมหะกิเลสโลภะอยู่ในจิตใจดวงนั้นเพราะนั้นท่านจึงได้ใช้ธรรมะตประธรรมคือศีลสมาธิปัญญาให้ตีกรอบตีกรอบดวงนั้นให้ใจดวงนั้นอยู่ให้ใจดวงนั้นคิดอะไรมันจึงจะถูกต้องสัมมาทิฏฐิให้คิดในทางที่ถูกต้อง สมาธิสัมมาสมาธิเป็นอันสุดท้ายคือ ท, ทาจิตให้มั่นคงนี่แหละสรุปแล้วก็คือใช้ศีลสมาธิปัญญากันกรองไตรตรองจิตใจตรงนั้นให้อยู่ในกรอบจากนั้นก็ชําละให้เห็นถูกต้องให้เห็นเป็นธรรมไม่เห็นลุล่มหลงกับสิ่งเหล่านั้นแต่ใจตรงนั้นเมื่อรู้แล้วเห็นแล้วปล่อยวางแล้ว จะปล่อยวางเป็นอนอันตาการถ้าได้มาตรฐานถ้าความจำเหมือนกับเราอ่านหนังสือกไก่เนี่ยมันจำได้จริงๆแล้วก็ปล่อยมันก็รู้เลยถึงยังไงกับกอไก่จำอยู่งั้นจนถึงจุดจบของชีวิตบางงานแต่แต่นิใจมากกว่านั้นอีกทนาะยในเมื่อรู้แล้วนะปล่อยวางแล้วตูเห็นตามความเป็นจริงแล้วใจหลุดพ้นแล้ว ใจไม่มีสิ่งที่จะเครือบแฝงแล้วนะใจเป็นอมตะธรรมแล้วนะใจเหนือจากกิเลสราคะโทสะโมหะแล้วนะจิตใจเป็นจิตใจที่บริสุทธิ์เรียกว่อออาอมตะธาตุจิตใจที่เป็นอมตะธาตุอมตะธรรมนี่แหละอันนี้ก็คือมันเป็นขั้นตอนคือมาจนถึงที่สุดมันออกไปจากใจทั้งหมด ที่ค้นขวาในหลักของพระพุทธศาสนาที่แรกกันนี่ที่ฟังฟังรู้ๆกันอยู่ก็คือร่างกายต่อไปกันนะ่สั่งเข้าไปก็เครื่องมือที่สั่งร่างกายตาหูจมูกลิ้นกายกายนั้นคืออะไรคือสมองแต่คนไปใช้สมองนั่นคืออะไรคือนามธรรมคือใจตัวนามธรรมตัวนั้นลหละที่พระพุทธเจ้าพระหันสาวก ในหลักของพุทธศาสนาให้ความสนใจอย่างมากเหมนกัให้ความสนใจอย่างมากในจุดนั้นแล้วจะสนใจแล้วจะทำยังไงนี่แหละท่านจึงฝึกสมาธินะสมาธิปัญญาขนขว้าจุดนั้นนะอันนี้เป็นเรื่องที่ครูบาอาจารย์บวชมาถึงสี่สิบห้าสิบพรรษาเจ็ดสิบแปดสิบพรรษาอย่างที่หลวงตา กูบาอาจารย์นั่นแหะที่ท่านอยู่ป่ารงพงไพ่ทั้งหลายแหละแล้วก็คงจะมีต่อไปภายภาคหน้าด้วยนะอ <c oughs> <c oughs> จนถึงที่สุดตรงนั้น่ะที่สุดนั่นคืออะไรถ้าคนไม่เชื่อเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้านจะจบเพราะงั้นถ้าคนไม่เชื่อในวันนี้วันนี้ก็จบแต่กคิดว่าคงจะไปอีกนานอยู่นะ <c oughs> ถ้ามีการแนะนําสั่งสอนกันไปเรื่อยๆชี้ประเด็นให้เห็นไปเรื่อยๆก็คนก็คงจะนับถือเลื่อมใสไป ถ้าเมือ่อใดคนขาดความเชื่อความนับถือแล้วก็พุทธศาสนาก็คงจะจบในวันนั้นในกลุ่มนั้นในยุคนั้นต่อไปก็ค้นคว้าใหม่อีกพระศีอริยะเมตไตรเกิดขึ้นมาในโลกก็ค้นคว้าอีกเจออีกจากนั้นก็สอนกันไปอีกเป็นอย่างนั้นโลกะตะสงสารเหมือนกับพวกถ้าพวกเราตกชั้นในคราวนี้อา้าว ดำมดดำไหวไปก่อนจนกว่าถึงภาษีอ่านถ้าภาษีอ่านพวกเราโชคดีก็ได้ไปเกิดในยุคนั้นสมัยนั้นถ้าไม่ยังก็เอาต่อไปอีกเป็นอย่างนั้นแหละเพราะนั้นพวกเราอยาอย่าให้มันยาวเกินไปยาวไปกันเป็นไรอย่างพวกเราท่านทั้งหลายเห็นนี่นะเกิดมาแล้วก็เป็นอย่างนี้นะแก่แล้วก็เจ็บแล้วก็ตายแล้วก็จบอวกไปไปเกิดมาอีก เกละก็เก็บรกรตายเกิดมาอีกถ้ามันเกิดเป็นมนุษย์ก็ค่อยอยังชั่วอยู่นะถ้าเกิดเป็นมสเทวดาก็ค่อยอยังชั่วอถ้าไปเกิดเป็นหมูหมากาไกา่เกิดซ้ําซากอยู่นั่นนะโอ้พวกเราเห็นน้นนาทุเรศทุลังแต่มันก็มีใจเหมือนกันนะอแต่มันสมองมันก็ใช้สมองหมาสมองวอัวสมองสมองควายสมองช้างสมองนกถ้าไปเกิดเป็นอะไรมันก็ไปใช้สมองนัดมางัดไปพวกเรา สั่งสมคุณงามความดีสรุปแล้วนะตายแล้วไม่สูตรนะสรุปแล้วหลวงพ่อพูดแล้วพูดเดียวถ้าคน่าตายแล้วสูตรนะมันจะอ่อน อ, อกอ่อนใจจะไม่ทำความคุณงามความดีนะแล้วจะทำยังไงจึงจะบอกว่าตายแล้วไม่สูนะ่ะนี่แหละก็ให้ภาวนาอย่างที่ว่านั่นแล้ไม่มีทางอื่นที่จะรู้ได้นอกจากทำจิตให้สงบนะทำจิตให้เป็นหนึ่งฝึกหัดทำจิตให้เป็นหนึ่ง ทำจิตให้เป็นหนึ่งแล้วจะรู้ได้ด้วยตนเองอรบพอในเสนีอนุโมตนาให้พอ